อนิสยปัจจัย423สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอุปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิญยะอานันตะรูปนิญญยและปกตูปนิญยะอารมณูปนิญญยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมอย่างหนักแน่น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 เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังๆโดยอุปนิสัยปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอุปนิสัยปัจจัยประตปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้น ทำมรคให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลสุตะจาคะปัญญาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นทำมรคให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ศีลสุตตะจักะปัญญาโดยอุปนิสยปัจจัยบริกรมมปถมมชานเป็นปัจจัยแก่ปถมมชานโดยอุปนิสยปัจจัยบริกรมทุติยะชานเป็นปัจจัยแก่ทุติยะชานโดยอุปาณิสยปัจจัยบริกรมตติยะชานเป็นปัจจัยแก่ตติยะชานโดยอุปนิสยปัจจัยบริกรมจัตุทัชานเป็นปัจจัยแก่จัตุทัชานโดยอุปนิสยปัจจัย บริกรรมอากาสารัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่อากาสานัญจายตนะโดยอุปาณิสยปัจจัยบริกรรมวิญญาณัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะโดยอุปาณิสยปัจจัยบริกรรมอาจีนจัญญาญตนะเป็นปัจจัยแก่อาจีนจัญญาญตนะโดยอุปาณิสยปัจจัยบริกรรมเน ว, วสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยเป็นอุปานิสยปัจจัยปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานโดยอุปานิสยปัจจัยและถึงจจตุทัชฌานเป็นปัจจัยแก่อากาสานันจายตนะโดยอุปาณิสยปัจจัยอากาสานเนจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาเนจายตนะวิญญาเนจายตนะเป็นปัจจัยแก่อากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปาณิสยปัจจัยบริกรรมที่ปัจจักข <busy> ุเป็นปัจจัยแก่ที่ประจักขุโดยอุปนิสยปัจจัยบริกรรมที่ปโสตธาตุเป็นปัจจัยแก่ที่ปโสตธาตุโดยอุปาณิสยปัจจัยบริกรรมอิทธิวิทยานเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานโดยอุปนิสยปัจจัยบริกรรมเจโตปริยญาณเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณโดยอุปนิสยปัจจัยบริกรรมปุเพนิวาสานุสติญาณ เป็นปัจจัยแก่ปุเพนิวาสาน domain, สุสติญาณโดยอุปนิสยปัจจัยบรกรรมยะถากรรมูปะขยานเป็นปัจจัยแก่ยะถากรรมูปะขยานโดยอุปนิสยปัจจัยบรกรรมอนาคตังจียานเป็นปัจจัยแก่อนาคตังจียานโดยอุปนิสยปัจจัยที่ปรจับขุเป็นปัจจัยแก่ที่ประสูติธาต์โดยอุปนิสยปัจใจที่ประสูติธาต์เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานโดยอุปนิสยปัจจัย อิทิ um, วิทยานเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณโดยอุปนิสยปัจจัยเจโตปริยญาณเป็น ป, ป ah. un, women, ัจจัยแก่ปุเพนิวาสานุสติญาณโดยอุปนิสยปัจจัยปุเพนิวาสานุสติญาณเป็นปัจจัยแก่ยะถากรรมูปะขยานโดยอุปนิสยปัจจัยยะถากรรมูปะขยานเป็นปัจจัยแก่อนาคตตังจายานโดยอุปนิสยปัจจัยบริแครมปฐมมักเป็นปัจจัยแก่ปฐมมัก โดยอุปาเนสยปัจจัยบริกรรมทุต <limits> ิยามักเป็นปัจจัยแก่ทุต <speaker nada> <unfortunate> ิยามักโดยอุปาเนสยปัจจัยบริกรรมตติยามักเป็นปัจจัยแก่ตติยามักโดยอุปาเนสยปัจจัยบริกรรมจัตุธรรมักเป็นปัจจัยแก่จัตุธรรมักโดยอุปาเนสยปัจจัยปฐมามักเป็นปัจจัยแก่ทุติยามัคโดยอุปาเนสยปัจจัยทุติยามักเป็นปัจจัยแก่ตติยามักโดยอุปาเนสยปัจจัย ตติยมรักเป็นปัจจัยแก่จัตุธรรมักโดยอุปาณิสยปัจจัยพระเสขะอาศัยมรักษ์ทำสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารักของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่อัตถปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิร r u ติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทา และความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะโดยอุปนิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณูปนิสยะและปะคตูปนิสยะอารัมมณูปนิสยะได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั <cả> hey, ้นให้เป <elia> ็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิชฌ์จึงเกิดขึ้นเพราะยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิชฌิจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินชา น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นปกตปะโปณนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลสุตะจาระปัญญาแล้วมีมานะถือทิฏฐิศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาเป็นปัจจัยแก่ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ ความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยะอานันตะรูปาณิสยะและปะกะโตปนิสยะอารมมณูปนิสยะได้แก่พระอรหันต์ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นอนานันตะรูปาณิสยะได้แก่ กุศลเป็นปัจจัยแก่วุฒนาะมรกเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะกุศลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัติโดยอุ ป, ปนิสัยปัจจัยปรตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรอนสวยทุกมีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยศีลสุตะจาคะ ปัญญาแล้วทําตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลสัทธาศีล ส, สุตะจะักะปัญญาเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและพละสมาบัตโดยอุปาณิสยปัจจัยกรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปาณิสยปัจจัยพระอรหันต์อาศัยมรรคแล้วทํากิริยาสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เข้ากิริยาสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตามักของพระอาหารหันต์เป็นปัจจัยแก่อัถปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทานิรุตติปฏิสัมพิทาปฏิภาณปฏิสัมพิทาและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะโดยอุปานิสยปัจจัยมักเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติโดยอุปานิสยปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมัมมณูปาณิสยะอ น, นันตะโรปาณิสยาและปกรูปนิสยะอารมัมมณู ป, ปนิสยาได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น ยินดีเพลเพลินทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย estás, ant, ่างหนักแน่นเพราะทําความยิน SO ด e. ีเพลเพลินทิฏฐินั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตารูปานิสยะได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังหลังโดยอุปนิสยาปัจจัยปกาตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยราคะแล้วฆ่าสัตว์ลักทัพย์ผู้เท็จ พูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักที่ที่ทางเปลวล่วงเกินพัญญาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์มีจิตประทุษร้ายทำพระโลหิตของพระตถาคตให้ห่อทำลายสงให้แตกกันอาใจโทสะมูหะมานะทิฐิความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์ ทำลายสมให้แตกกันราคะโทสะโมหะมาณะทิฐิความปรารถนาะเป็นปัจจัยแก่ราคะโทสะโมหะมาณะทิฐิความปรารถนาะโดยอุปนิสัยปัจจัยปาณาติบาตเป็นปัจจัยแก่ปาณาติบาตโดยอุปนิสัยปัจจัยปาณาติบาตเป็นปัจจัยแก่อทินาทานราเมสุมิชฌาจารมุสาวาตปิสุณาวาจา พรุรสว aja าาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิโดยอุปาณิสยาปัจจัยอธินนาทานเป็นปัจจัยแก่อธินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทยอ่อมิจฉาทิฏฐิปานาติบาตโดยอุปาณิสยาปัจจัยพึงผูกให้เป็นจักรนายกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาพรุรสวาจา สัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิโดยอุปาณิสยปัจจัยมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่ปาณาติบาตอธินนาทานกลาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทปิสุณาวาจาภรุสวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทโดยอุปาณิสยปัจจัย มาตุฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมโดยอุปนิสยปัจจัยมาตุฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่ปิตุฆาตกรรมอรหันตฆ่าตกรรมโลหิตตุปบาตะกรรมสังคเพตกรรมนิยะตมิฉาทิฐิโดยอุปนิสยปัจจัยปิตุฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่ปิตุฆาตกรรมอรหันตฆ่าตกรรมโลหิตตุปาตะกรรมสังคเพตกรรมนิยะตมิฉาทิฐิ มาตุฆาตกรรมโดยอุปนิสยปัจจัยพอาหันตฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่อรหันตฆขาตกรรมโลหิตตุปาตกรรมโลหิตตุปาตกรรมเป็นปัจจัยแก่โลหิตตุปาตกรรมสังขเภตกรรมเป็นปัจจัยแก่สังขเภตกรรมนิยตมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยแก่นิยตมิจฉาทิฐิโดยอุปนิสยปัจนิยตามิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมโดยอุปนิสยปัจจัย ละถึงเป็นปัจจัยแก่ปิตุฆาตกรรมอรหันตฆาตกรรมโลหิตตุปาทกรรมสังฆเพทกรรมโดยอุปาณิสยปัจจัยพึงทําให้เป็นจักกนัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลโดยอุปาณิสยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกาตูปาณิสยะได้แก่บุคคลอาศัยราคะแล้วจึงให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถ ทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสนาให้เกิดข yani> ึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เก wow ิดข evet ึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยโทสะโมหะมานะทิฐิความปรารถนาจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นราคะโทสะโมหะ มานะทิฏฐิความปรารถนาะเป็นปัจจัยแก่งศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะปัญญาโดยอุปนิสยาปัจจัยบุคคลฆ่าจัดแล้วประสงค์จะลบล้างปาณาติบาตกรรมนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสดทำช้าให้เกิดขึ้นทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นบุคคลลักทรัพย์ผู้เท็จผู้ส่อเสียด คูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้องักแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ที่ทางเปลี่ยวร่วงเกินพัญญาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมประสงค์จะลบล้างกรรมชั่วนั้นจึงให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นทำมักให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้น ข้ามารดาประสงค์จะลบล้างมาตุฆาตกรรมนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถข้าบิดาข้าพระอรหันต์มีจิตประรทุษร้ายทำพระโลหิตของพระตถาคตให้ห่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันประสงค์จะลบล้างสังฆเพทกรรมนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยกระิด โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยะและปะกะตูปานิสยา อ, อนันตารูปานิสยะได้แก่อกุศลเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยอุปาณิสยปัจจัยปะกะตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยราคะแล้วทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนา ทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรอนเศรษทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลราคะโทสะโมหะมานะทิฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแผ่สุขทางกายทุกข์ทางกายและภารสมาบัติโดยอุปนิสยปัจจัยกรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปนิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแผ่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตโดยอุปนิสยปัจจัย มีสามอย่างคืออารมณูปานิสยะอนันตารูปานิสยะและปกจจตุปานิสยะอารมณูปานิสยาได้แก่พระอรหันต์พิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอุปานิสยปัจจัยอนันตารูปานิสยะได้แก่ขันธ์ที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอพยากตะปิริยาซึ่งเกิดก่อน เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอพยกตาวิบากและที่เป็นอพยากตากิริยาซึ่งเกิดหลังๆโดยอุปาณิสยปัจจัยพระวังคจิตเป็นปัจจัยแก่อาวัชนะจิตกิริยาเป็นปัจจัยแก่วุธธานะอนุโลมของพระอรหั น, นจจต์เป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายัตนะกิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติโดยอุปาณิสยปัจจัย ปกตูปนิสยาได้แก่สุขทางกายเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและพละสสมาบัตโดยอุปนิสยาปัจจัยทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและพละสสมาบัตโดยอุปนิสยาปัจจัยปุตุเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและพลัสสมาบัตโดยอุปนิสยาปัจจัยโภชนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและพละสสมาบัติ โดยอุปนิสยปัจจัยเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและพะละสมาบัติโดยอุปนิสยปัจจัยสุขทางกายทุกทางกายอูตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและพะละสมาบัติโดยอุปนิสยปัจจัยพะละสมาบัติเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายโดยอุปนิสยปัจจัย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 สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปนิสยาอนันตะรูปนิสยะและปกระตูปนิสยะอารามณูปนิสยะได้แก่พระเสกขะพิจารณาผลให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรหูโวทานและมรรคโดยอุปาณิสยปัจจัย อ น, นันตารูปานิสยาได้แก่อาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นกุศลโดยอุปานิสยาปัจจัยปกระตูปานิสยะได้แก่แกกแกบุคคลอาศัยสุขทางกายแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยทุกทางกายอุตโโภชนะ เสนาสนะแล้วจึงให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบาร์ให้เกิดขึ้นสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะปัญญาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญญากริ เป็นปัจจัยแฝงสภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอุ ป, ปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณู ป, ปนิสยะอนันตารู ป, ปนิสยะและปะกะตู ป, ปนิสยะอารามณู ป, ปนิสยะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินโสตะขานะชิวหา กายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหทัยวัตถุขันธ์ที่เป็นอภัภยคตะวิบากและที่เป็นอัพยกตากริยาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอ น, นั้นต่รอุปานิสยาได้แก่อาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลโดยอุปาณิสยาปัจจัย ประตูป่านิสยะได้แก่บุคคลอาศัยสุขทางกายแล้วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผู้เท็จผู้ส่อเสียดผู้คำหยาบพูดเพ้อเจอ้องัดแงะล้นไม่ให้เหลือล้นเรือนหลังเดียวดักชี่ที่ทางเปลวล่วงเกินพัญญาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์มีจิตประทุษร้ายทาพระโลหิตของพระอัาโคตให้ห่อ ทำลายสงให้แตกกันอาศัยทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ยอ่อทำลายสงให้แตกกันสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาชนะเป็นปัจจัยเกี่ยวราคะโทสะโมหะมานะทิฐิความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัย เบเชตปัจจัี่ยยี่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัิยากฤิตโดยเบเรชาตปชาปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะเบเชตะและวัตถุเบเรชาตาอารมณะเบเชตะได้แก่พระอรหันต์เห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตภาณนะชิวหากายรูป เสียงกลิ่นรสโผฏภะหาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยที่ประจักษุขู่ฟังเสียงด้วยที่ปัศวตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณโดยบุเรชาตปัจจัยสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตะวิญญาณคันทายตนะเป็นปัจจัยแก่คณะวิญ ญ, ญาณรสายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญ ญ, ญาณโผฏภัยตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จากกายตนะเป็นปัจจัยแก่จากหูวิญญาณโดย e. ป hey, ุเรชาตปัจจัยโสตายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณคานายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณชิวหายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยหาทายวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอพยากตากริยาโดยบุเรชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นขูศลโดยบุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณบุเรชาตะและวัตถุบุเรชาตะอารมณบุเรชาตะได้แก่พระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เทียมเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เห็นแจ้งโสตะคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะหาทยวัถุโถยถดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิปจักขุฟังเสียงด้วยทิปโะสะตะธาตุวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นกุศลโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอคุศลโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเราชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุเพราะปรารฏความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมนาจึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเพลินโสตคานะ ชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสผูพพ้พภาหาทยวัตถุเพราะปรารบความยินดีเพื่อเพลินโสตะเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมานะจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอกุศลโดยปุเรชาตะปัจจัย ปัจฉาชาตะปัจจัย425สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤดโดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤดโดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแ่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแ่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิโดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอัพยกตะวิปากและที่เป็นอัพยกตะกริยาซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแ่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยอสวนปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอาเสวณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเสวณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัภยกฤิตโดยอาเสวณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอพยากตะกริยาซึ่งเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอัพยกตากริยาซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเสวณะปัจจัยกรมมะปัจจัย427สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยกรรมะปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์โดยกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤต โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกระตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิต โดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยกรมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิต โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิ <prem> ปากและกัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอ ก, ก, กุททศล และที่เป็นอัพยากฤิตโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอคุสลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิตโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอพยากตะกริยาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะเจตนาท e, ok. like ี่เป็นอ um ัพยากตะวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันและกระตั้วรูปโดยกรรมะปัจจัยเจตนาเป็นปัจจัยแก่หาทัยวัตถุโดยกรรมะปัจจัยวิปากะปัจจัย4ี่ยยีสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิโดยวิปากะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตะวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสาม และจิตตสมุทฐานรูปโดยวิปากับปัจจัยขันธ์สเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปโดยวิปากับปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปโดยวิปากับปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่เป็นอภยกระตะวิปากเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สและกระตตารูปโดยวิปากับปัจจัยขันธ์สเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและกระตะตารูปโดยวิปากับปัจจัย ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและกระตาตารูปโดยวิปากับปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หาทยวัตถุโดยวิปากับปัจจัยอาหารปัจัจ420สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอาหารปัจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารท <wygląda S 2> <stamina. S 1> ี่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศนโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทนานรูปโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอคูสนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอคุศน และที่เป็นอัพยากฤตโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สามประยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารระบาัใจสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิตโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะกริยาเป็นปัจจัยแก่สามประยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัย ในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นอัพยากตะวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและกระตัดตารูปโดยอาหารรปัจจัยกวลิงกราหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารรปัจจัยอินทริยะปัจจัย430สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอินทริยะปัจจัยได้แก่อินทรียะที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันโดยอินทริย์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอินทริย์ปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทานรูปโดยอินทริย์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตโดยอินทริย์ปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอินเทิยะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอคุศลโดยอินทริยะปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอินทริยะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอินทริยะปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอินทริย์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิตโดยอินทริย์ปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอินทริย์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตโดยอินทริย์ปัจจัยได้แก่ All, อินทรีย์ที่เป็นอัพยกตาวิบากและที่เป็นอัพยากตาคริยาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอินทริย์ปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นอัพยากตาวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและกตาตารูปโดยอินทริยปัจจัยจากขุนศีเป็นปัจจัยแก่จากขวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยโสตินศีเป็นปัจจัยแก่โสตะวิญญาโดยอินทริย์ปัจจัย คานินสี่เป็นปัจจัยแก่คาณวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยชิวหินสี่เป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยกายินรี่เป็นปัจจัยแก่กายะวิญญาณโดยอินทริย์ปัจจัยรูปปัทธิวิตินสี่เป็นปัจจัยแก่กระตาตารูปโดยอินทริย์ปัจจัยชานะปัจจัย4 3่ สภ um. าวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยชานปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สังปยุตตะขันโดยชานาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตโดยชานปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยชานปัจจ <medi> <Ti> ัยสภาวธรรมที่เ <sven>. ป็นกุศ uh. ล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอพยกฤตโดยชานปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตสมุานรูปโดยชานะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยชานะปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่เป็นอคุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยชานะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอพยกฤิโดยชาณปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยชาณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอพยกฤิโดยชาณปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมพุทธตาขันและจิตตสมุฐานรูปโดยชาณปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตโดยชานะปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่เป็นอัพยากตาวิบากและที่เป็นอัพยากตากริยาเป็นปัจจัยแก่สังปยุตตขันและจิตตสมุทานรูปโดยชานะปัจจัยในปฏิสนธิขณะองค์ฌานที่เป็นอภยยากตาวิบากเป็นปัจจัยแก่สังปยุตตะขัน์และปตาตารูปโดยชานะปัจจัยเมื่อข้าปัจจัย สี่ร้อสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยมรรคปัจจัยได้แก่องค์มรรคที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยมรรคปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตโดยมรรคปัจจัยได้แก่องค์มรรคที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยมรรคปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอพยากฤิโดยมรรคปัจจัยได้แก่องค์มากที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สามปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยมรรคปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยมรรคปัจจัยได้แก่องค์มากที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สามปยุตตะขันโดยมรรคปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก hey. ่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิโดยมรคราปจจัยได้แก่องค์มากที <The> <S 2 <S 2่เป็นอคุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยมรคราปจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศนและที่เป็นอัพยกฤิโดยมรคราปจัยได้แก่องค์มากที่เป็นอกุศนเป็นปัจจัยแก่สามปยุตตขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยมรคราปจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤต เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตโดยมรคปัจจัยได้แก่องค์มากที่เป็นอภยากตะวิบากและที่เป็นอภยากตะกริยาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคขันและจิตตสมุฐานารูปโดยมรคปัจจัยในปฏิสนธิขณะองค์มากที่เป็นอภายากรตะวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและกระต า, ารูปโดยมรคปัจจัย